แปดสิบเก้าเย็นบัดวนบดัดประโยคคำสั่งหนึ่งเย่บอลวินชั่อนรคุณขี้เกียดเหลือเกินอย่าคี้เกียจนักเลย நீ மிகவும் ச ோส் ப ே ர ி யாக இ ர ு க ் க ிงริขิราอีีบบลับโสงเบียร์ยาวหายิ่คุณนอนนานเหลือเกินอย่านอนดึกนี่นัดเนรำตุ க ிิா ய ் இ வ ் வ บ வ ับเนรำตุงกอா த ேคุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกินอย่ากลับบ้านดึกนี่ม க ข้ தாமதமாக வீட்டிற்கு வ ர ு க ிิா ய ் வீட்டிற்கு இ வ ் வ บ வ ลับโต ம อมัติมา คุณหัวเราะดังเหลือเกินอย่าหัวเราะดังนักสินี่มิกษัตริย์มาค่ะสิริกิรอยอยู่บนกษัตริย์มาค่ิริกาดีคุณพูดเสียงเบาเหลือเกินอย่าพูดเบานักสินี่มีกบุ้งเมดุบาค่ะเป้สิกิร ai, อยอยู่บนกบุ้งเมดุบาค่ะเป้สเดคุณดื่มมากเกินไปอย่าดื่มมากนักสิ นี่เนรยะคุณิกิรายีบ ள ลுว த ிดิ य, ்มคุிิกาாดேคุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้วอย่าสูบบุหรี่มากนักเลย நீ நிறைய புகை คி ட ி்ุ க ி ற ா ய ் இ வ ்ลบว่าดิคมผู้คายปุติกาเดคุณทำงานมากเกินไปอย่าทำงานมากเกินไป நீ நிறைய வேலை செய்கிறாய் இ வ ்ลบว่าดิคมเวลีเซียยาเด คุณขับเร็วเหลือเกินอย่าขับเร็วนักเลยนี่มิกเวมาากมอห์ฮ์อริกิไร อ, อีบรั้เวกมอหาว ต, ตดวลุกขึ้นค่ะคุณมิวเลอร์เยน็นนรุ่งเกลมิสเตอ ร, ร์มิลเลอร์เชิญนั่งค่ะคุณมิวเลอร์ขึ้กร่งกลมิสเตอร์มิลเลอร์นั่งต่อค่ะคุณมิวเลอร์อ உ ்ุ க อน்ุ่ த นเดีย์ேิงுั் க ล்มิสเตอร์มิลลอรใจเย็นเย็นนะคะ ப ொรுมைยா க இ ர ுิง க ั்ลมีเวลาไม่ต้องรีบเย็บแบบสบายยัมเว้นด์โมยืดตุ่นคนงั่งล์รอสักครู่นะคะวันนีிมิดัมยิงงั่งลระวังนะคะ จากระดยเหยื่องกลคารุณามาให้ตรงเวลานะคะเนรมตาบราดีก์ลอย่างงมุต털สนมเวนดอ